I s i สวดมนต์สาธยายธรรมกันก็เป็นการเจริญในกุศลที่เราทำกันเป็นกิจเจวัดทุกวันจตมาเอง ตอนที่ยังไม่ได้อุปสมบทก็นั่งไว้พระทุกวันตั้งแต่ยังเป็นเด็กนมล้วก็นั่งธรรมฌานสมาธิแต่ไม่ยกขึ้นเป็นวิปัสสนานั่งแค่รมฌานให้จิตสงบ ให้เกิดดับะเท่านั้นแต่ไม่ยกขึ้นไม่ได้กำหนดรูปนามธาตุขันธ์ก็เอาแค่ความสงบจิตที่ตั้งมันเอาว่าก็จเจริญอยู่ในกุศลแต่ยังไม่ไม่ถึงการอบรมจิตให้ เกิดเป็นปัญญาในเรื่องของเป็นจะขันแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็ที่สุดเราก็มองเห็นโลกที่มีแต่ความไม่จริงใช่ว่าไม่จริงไม่จริงใจ พบแต่สิ่งจอมปลอมมากกว่ามีแต่การเสร่แซงกันมากกว่ามีแต่ผลประโยชน์ที่แฝงมาด้วยใครมีผลประโยชน์ก็ยกย่องกันต้องให้คนนั้นจะทำดีแค่ไหน ถ้าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ก็ไม่ถูกยกขึ้นมาสุดท้ายก็มองแล้วก็โลกนี้ไม่มีความจริงใจมีแต่จริงจังอย่างเดียวแต่จริงใจมันน้อยลงที่สุดก็ เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความขัดข้องอยู่ในจิตตัวเองว่า <c oughs> เราเบื่อสภาพที่เห็นอยู่อย่างนี้ ก็อยากออกอยากออกจากสภาพที่เป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นอยู่ก็รู้สึกว่าจะไปไหนดีเนี่ยก็เลยน้อมจิตไปว่าที่ไหนที่เป็นความจริงที่ไม่มีผลประโยชน์ เคลือบแฝงที่มีผู้บริสุทธิ์จริงๆยกย่องศีลสมาธิจริงๆยกย่องคุณธรรมกุศลจริงๆก็สุดท้ายก็ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ หมดกิเลสก็เลยต้องเดินเดินเดินตามเบื้องโุคบาทของพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือจุดที่ออกบวช ทั้งที่ดูว่าไม่มีความพร้อมอะไรจะบวชเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งหมดญาติเหก็ไม่พร้อมทุกอย่างแต่ว่าใจเนี่ยออกบวชแล้วเข้าวัดพระท่านก็อนุเคราะห์โกนหัวบวชให้ ก็ได้อาใจก็บวชพอบวชเสร็จก็หม่ยทำความเพียรก็ไม่ได้อยู่ในวัดที่บวชออกไปตามภูเขาลเนาไพรก็ขึ้นไปปฏิบัต ก็อยู่กับชีวิตที่กันดานแต่ว่ามีธรรมชาติก็คือร้อนเย็นแห้งแล้งแล้วก็เฉอแะแฉะยามฝนตกน้ำก็ต้องไปอาบที่ลำธารตอนนั้นยังไม่มีบ่มีแต่โอ่งไว้ ลองน้ำฝนก็ปฏิบัติไม่เห็นแก่อามิตรางบันทั้งหมดไม่เห็นแก่กิจอื่นๆยิ่งกว่าการภาวนาก็มุ่งภาวนาก็ ตั้งแต่นั่นมาเรื่อยๆภาวนาผิดบ้างถูกบ้างทำไมใช้คำว่าผิดบ้างถูกบ้างบางทีก็ลองผิดลองถูกเพราะว่าอาตมาไม่ได้ฝึกตามรูปแบบตาม ครูอาจารย์ที่คอยมองคอยบอกคอยสอนคอยชี้คอยส่งอารมณ์อย่างนี้ไม่มีเพราะว่าปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองรู้ผิดรู้ชั่วยืนในตัวรู้บุญรู้บาปยืนในใจโดยเองแค่นี้ สงบวุ่นวายเกิดยังไงก็กำหนดดูจิตไปบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันก็เกิดทำมากมายเหมือนกันบางทีก็สับสนอารมณ์จิตนี้มันเป็นยังไงเรายังเป็นผู้ใหม่ ต่อทำบีไหนก็พยายามกำหนดดูจิตไปเรื่อยๆบางทีก็ถูกมานหลอกจิตที่รู้นั่นรู้นี่เกิดจากภายในจิตตอบไม่ถูกเหมือนกันว่า ไอ้ที่รู้มันเป็นฝ่ายมารหรือฝ่ายพระแต่สุดท้ายเกิดความคลาดเคลื่อนไปเหมือนกันก็เรียกวิปริตวิปรราชความคลาดเคลื่อนแทนว่าจะปฏิบัติเปลือจิตน้อมไปสู่ ความละการวางก็ไปเกิดความมั่นหมายอยู่ในช่วงหนึ่งมันมีอิทธิฤทธิเกิดอะไรก็ไม่รู้จิตเราก็หลงไปเหมือนกันหลงในว่าญาณเกิดฌานเกิ ด, กดอภินยาเกิดก็ตามภาษาผู้ไม่รู้ แต่ตามาเชื่ออยู่อย่าง น, นคำว่าความซื่อสัตย์สุดจริตใจที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงมารก็ทำลายไม่ได้ในที่สุดเพียงได้หลอกได้ในช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายจิตที่ซื่ออยู่ และก็ไม่หวังอะไรนะมันเป็นคุณธรรมคุ้มครองจิตยอย่างดีที่สุดดีกว่าทั้งหมดเลยสุดท้ายสติก็ะระลึกได้ว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อความเกิด เท่านั้นแหละที่ว่าสติแล้วลึกตื่นรู้เนี่ยเหมือนม้าที่โดนแส้สะดุ้งขึ้นมาเออใช่นี่เรากำลังเรากำลังหลงทางในตัวเอง <c oughs> จนบางครั้ง ไม่ได้ดูทางนอกเลยดูแต่ทางในนะกลายเป็นโลกภัยในตัวเองซึ่งเราไม่เอาธรรมะเข้ามามันเผลอได้นะภาวนาในเดือนสองเดือนสามเดือนเนะี่ยมันก็ไปไกลนะไปไกลเหมือนกันแต่พอรู้เสร็จ เ, ออเราภาวนาเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อความเกิดรู้แล้วจิตต้องว่างใจต้องว่างอารมณ์ต้องไม่ฟุ้งซาไม่เช่นนั้นไม่ใช่การภาวนาหรือการประพฤติ ธ, ธรรมรู้แล้ว ตั้งใหม่กำหนดจิตใหม่นั่งดูไปใหม่ที่บอกว่าจิตปรุงแต่งสังขารแห่งใจโอเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเป็นผู้มีสตินั่งดูที่บอกสติกำหนดรู้นั่นเองนั่งดูเรามีอนุสัย จิตของเราเรามีอานุสัยเดิมมีการปรุงจิต ท, ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอ ก, กุศลทั้งเฉยๆนั่งดูกาหนดรู้สัญญาเกิดย้อนไปอดีตการปรุงแต่งเกิด ปรุงไปถึงอนาคตวาดไปเรื่อยเรื่อยกำหนดดูไปดูไปดูมาถ้าเราปล่อยจิตมันก็จะไหลตเตลิดไปเรื่อยเรื่อยไม่ใช่นั่งให้เกิดสมาธิตั้งมัน แต่นั่งปล่อยอารมณ์อารมณ์ให้ไหลไปกับกิเลสที่ตัวเองปรุงแต่งน้อยใหญ่ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเผลอเลินั่งจนไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วเผลอเลไม่รู้ว่าเราละลึกอะไรแล้วไปเรื่อยเรื่อยเยเรื่อยเรื่อย มันคนหลงป่าบอกเออเรารู้แล้วถ้าเราปล่อยจิตมันก็เป็นเช่นถ้าเรากำหนดรู้จิตอยู่การแสอะไรที่ต้องละต้องวางเราก็ต้อง เอารมเข้ามาพิจารณาจึงบอกเจริญสติอบรมจิตเกิดปัญญาเราขาดตรงนี้เราไปเอาอาการไม่ได้ปฏิบัติติดอาการหลงอาการติดอยู่กับอาการไม่ได้ไม่ได้สติกำหนดจิต พิจารณาธรรมตรงนี้ใช่ที่รวมของการปฏิบัติคือสติกำหนดจิตพิจารณาธรรมตรงนี้แหละที่ปฏิบัติจริงๆวันคืนเดือนผ่านไปถ้าเราศึกษาจิต อยู่ตรงนี้มีสติระลึกอยู่เอาธรรมยกพิจารณาอยู่อย่างนี้นะที่ว่าพิจารณาอยู่ในธรรมรำลึกถึงธรรมจะอยู่อย่างนี้ตลอดจึงบอกเออมีธรรมะคุ้มครองมีสติไม่เศร้าหมองมีจิตอันปล่อยว่าง ทำไปเรื่อยๆความซื่อสัตย์จิตที่เราตั้งไว้ดีแล้วไม่มีสิ่งใดมาเคลือบแฝงมันเป็นความบริสุทธิ์แต่ต้องมีปัญญาเข้ามาทําให้เกิด ความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นได้ไม่อย่างนั้นก็มีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่มีปัญญามันก็ยังยางมันเหมือนนกขาดปีกบินไม่ได้จิตขาดธรรมพ้นไม่ได้ จึงบอกยิ่งภาวนาไปพอใจเรารู้ความกังวลทั้งหมดค่อยๆสงบลงภูมิพบนรกสวัสด์ปรากฏให้ใจรู้ศัตรูหรือว่ามิตรพระหรือว่ามาร ใจเราคอยกำหนดอยู่ตลอดถึงบอกว่าบางครั้งจิตเราก็เป็นพระเป็นพระบางโอกาสก็มีมานแทรกเข้ามา บางทีก็ดูเหมือนมีสุขคติแต่บางครั้งก็ดูดุดดังนรกหมกไม่จิตของเรายิ่งดูยิ่งดูยิ่งรู้ไปถึงว่าเออถอนใจทำไม มันมีอะไรจึงบอกทุกอย่างตามรู้ไปเรื่อยๆนี่เขาศึกษาจิตภายในศึกษาจิตในจิตรู้จิตภายในจิตปฏิบัติธรรมไปพระเกิดหรือมานเกิด ปัญญาหรืออวิชชาสัญญาความจำเรียนรู้หรือเกิดขึ้นจากการภาวนาที่เป็นปัญญาเรียกว่าภาวนามายปัญญาถ้าถึงระดับภาวนามายปัญญาเนี่ยถือว่าใช้ได้ ปัญญาเนรู้จากการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาญาณฌานาผ่านเชิญอภินยาทั้งหมดวิชาทั้งหลายพอถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะให้เกิดไม่ใช่หรือจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ใช่ จะเกิดโดยทรรมไม่ใช่อยากรู้แลวก็รู้ไม่ใช่ไม่อยากรู้แล้วบอกไม่รู้ก็ไม่ใช่จะเกิดโดยทำรรภูมิจิตถึงจุดไหนที่จะรู้ก็รู้ตรงนั้นภูมิจิตที่ไม่ถึงต่อให้บอกว่ารู้อยากจะรู้ เขาเรียกว่าแท่งรู้แต่ไม่รู้คิดว่ารู้แต่ยังไม่รู้คิดว่าใช่ยังไม่ใช่จิตนั้นถึงบอกเออคำว่าคุณวิเศษไม่ได้เกิดจากกิเลส<ะ>คุณวิเศษไม่ใช่เกิดจากกิเลสเกิดจากความบริสุทธิ์ ตรงนี้เกิดจากจิตที่สะอาดจิตที่ชำระมันค่อยๆเห็นเห็นไปเรื่อยๆทุกโทษเวรไภใจรู้แล้วทุกโทษเวรไย ถ้าบอกว่าผู้ภาวนาไม่รู้ทุกโทษเวรภัยยังไม่ใช่อกุศลกรรมวิบากใดที่เราได้ทำแล้วจะปรากฏให้เราเห็นเองก่อนจิตจะต้องชำระจิตกว่าจะจิตนั้นเข่ารอบเห็น เห็นบ <They are. S 1> ุญบาปเห็นดีชั่วรู้ผิดถูกจิตตรงนี้แหละเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นจนถึงคำว่าผู้เบิกบานอัตมาก็ไม่สงสัยเหมือนกันยิ่งภาวนาไปถึงจุด ธรรมกับจิตจะหลอมกันจิงใช้ว่าจิตถึงธรรมธรรมกับจิตจะหลอมกันจิงเรียกว่าคุณธรรมเกิดที่จิตอํานาจฤทธิ์เกิดที่ใจ รู้สิ่งใดใดใจนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันแปลกพนอะถึงจุดหนึ่งแล้วคนเหล่านั้นเขาจะมีความสุขหน้านิไสใจนี้เบา เพราะเขาไม่ได้แบกเขาไม่ได้แบกเขาไม่ได้แบกธรรมรุ่มเขาไม่แบกตัวตนจะบอกเออใครที่ปฏิบัติทำแท้จริงเขาก็รู้ในอัถฐแห่งธรรมนะ ไม่ได้เป็นคนว่างเปล่านะโอลิ้มรสในธรรมอิ่มเอิบในธรรมเบิกบานในธรรมสันเสริญคุณแห่งธรรมอาวันหนึ่งยมจะสันเสริญเหมือนคุณพระพุทธเจ้าทำไมพวกเราสันเสริญพระพุทธเจ้าเพราะว่า ใจของผู้ที่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าจะผ่องใสและปราศจากพยาบาทะทั้งหมดไม่มีพยาบาไม่มีความเครียดแค้นอะไรทั้งหมดจิตจึงสงบได้จึงใช้คาว่าเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นอนุสติทำให้จิตสงบเห็นไหม่บอเออพอเรารึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมอันตรัสรู้แล้วทำให้เราได้รู้เห็นตาม แล้วก็ประพฤติตามธรรมะตามอะไรเราปฏิบัติตามจิตที่พ้นทุกบันดาพระอาราหันต์ที่จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าตามคำว่าจิตพ้นทุกทั้งหมดเลย ครั้งหนึ่งโยมจำได้ไม่สุดว่าแม้จะมีพิสุผู้เดินตามเราอยู่จับชายสังฆาติแต่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่าผู้ยังอยู่ห่างไกลจากเราไม่ใช่เดินตามอย่างนั้น แม้ผู้ที่จะอยู่ห่างไกลจากเรานับเป็นโยอโยอจะ ก, กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแสนโยอดก็ตามกี่ภูมิพบชาติก็ดีถ้าปฏิบัติตามคำพร่สอนของเราแล้วใช้บุคคลนั้นชื่อว่าเดินตามเราตรัาคตชัดเจนเลยชัดเลย อยู่ไกลแค่ไหนจะอยู่ในภูมิภพใดถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วธรรมจะคุ้มครองธรรมจะคุ้มครองคุ้มครองจิตไม่ให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ สังเกตไหมทำถ้าไม่คุ้มครองจิตที่เกิดมิจฉาทิฏฐิกันอยู่ทุกวันนี้มากและเกิดจนถึงกับฆ่ากันเพื่ออะไรทะเลาะกันบังอะไรแย่งชิงกันทำไปทำม บุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในห้วงแห่งวัฏฏทุกที่ยาวนานยังไม่รู้จบฉะนั้นพวกเราเราเคารพธรรมะเราปฏิบัติชำระจิต ไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อให้จิตบิญญาณของเรานี่แหละข้ามพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ไม่อย่างนั้นเกิดตายตายเกิดไม่เห็นว่าประเสริฐตรงไหน ได้มาแล้วก็จากไปแย่งชิงมาได้สุดท้ายก็หมดกำลังจะดูแลรักษาไม่เห็นว่าเป็นของใครได้เที่ยงสักคนน่ไม่ว่าอะไรฟันในปากแท้ๆก็ยังไม่ใช่อาหารกลืนเข้าไปแล้วก็ยังไม่ใช่อีก ต่ำมากว่าหมดแล้วนะที่จะพูดเนะี่ยหมดแล้วฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราเคารพสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตของเรานั้นอ่อนอ่อนน้อมอ่อนโยน แล้วก็เข้มแข็งมั่นคงดำรงอยู่ในพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละธาตุจิรังสัดดังธรรมโมขอพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจงดำรงอยู่สิ้นกันละนานโถดเราก็จะดูจิตปฏิบัติจิตไป รักษาจิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งอะตอมาก็รู้สึกว่าเบาเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องไปยึดแบกโลกใบนี้เพียงแต่เราอยู่ในโลกใบนี้ ความมีความเป็นก็ให้มีสติกำหนดรู้ความพบความจากทั้งหลายมันเป็นสากลที่ทุกคนเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ไม่เสียใจกับสิ่งนะั้นทีนี้เราต้องทุกข์กับอะไรอีก โยมกำหนดหัวใจของโยมมันทุกอยู่กับอะไรร้อนรอนอยู่กับสิ่งไหนต้องกำหนดจนกว่าจิตนี้ว่างเปล่าดับ ทั้งหมดได้นั่นแหละเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอีกแต่คำว่าดับทั้งหมดสติจิต แสงธรรมแห่งปัญญาเราอบรมจิตได้แค่ไหนสำคัญตรงนี้ที่บอกว่าสติอย่าให้พร่องความเศร้าหมองจะหมดไป แต่กว่าอบรมสติได้มันก็ไม่ง่ายเพราะเรามีสิ่งมากระทบกระทั่งอยู่ตลอดมีสิ่งมากระทบอยู่ตลอดจะไม่ให้วันไหวมันก็ยาก จึงบอกว่าคนต้องมั่นคงจากศีลเป็นเบื้องต้นจะตั้งมั่นอาศัยสมาธิเป็นทำกลางจะเบิกบานที่สุดต้องอาศัยปัญญาทุกอย่างมันก็มีเหตุผลก็ตามมา จุดนี้ธรรมาจึงบอกออกว่าใครสักคนหนึ่งจะรักษาศีนได้จริงๆนะยากแสนยากเอาศีห้นี่แหละไม่ต้องไปไกลต้องขึ้นว่าเจตนาที่สมทานรักษาศีน เจตนาเพื่อ ง, งดเว้นการทุศีลจากวันนี้ถึงวันตายจะไม่ละเมิดศีลตลอดชีวิตใครปฏิ ญ, ญาตนได้อย่างนี้นะ แล้วก็ทำได้จริงๆนะก็ต่มาบอกนรกเนี่ยไม่ได้เห็นหลอกโยมเอ้ยไม่ได้เห็นไปคนละทางกันเพราะอะไรใจผู้ไม่ทำลายสัตว์น้อยใหญ่ไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่า ตรงนี้แหละบาปก็ไม่เกิดโดยชีวิตในทางชีวิตก็จะไม่ถูกเบียดเบียนชีวิตไม่ถูกทรมานจากนั้นใครก็ตามที่ถูกทรมานถูกเบียดเบียนชีวิตบางคนอายุสัน้นให้ะระลึกไว้ส่วนหนึ่งว่า ศีลของเรายัางพร่องอยู่บ้างจึงเกิดการถูกเบียดเบียดจึงบอกเออเบญก ร, รมของแต่ละคนไม่รู้ทับถมกันนานเท่าไหร่โยมอย่าเพิ่งไปสรุปอะไร เราอาจจะพึ่งดีในชาตินี้ก็ได้แต่ที่แล้วแล้วมาเราทำอะไรไว้ถึงบอกเออตั้งหน้าสร้างกุศลมันสร้างบุญให้เยอะไว้ถ้าเรารักษาได้ ชีวิตก็ไม่ถูกเบียดเบียนถึงบอกคนจะมีความสุขต้องมีข้อหนึ่งก่อนว่าสุขโดยการไม่ถูกเบียดเบียนชัดนะครับสองสุขที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้แหละสุขจริงๆสุขอย่างผู้มีปกติสุขสุขอยู่อย่างนี้ได้ ไม่มีอะไรมาเบียดเบียดนั่นคือคนปกติแต่ดูพวกเราไม่ตลอดโดนเจาะยางอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่รู้ไปทำอะไรมาประการที่สองหรือข้อสองถ้าเราประพฤติดี ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของตนเองอันนําไปใช้ที่ผิดทางใช้คํานี้นะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าแสวงหาทรัพย์ี่อย่างมีความสุขนี่คือข้ อ, นอนหนึ่งอีกในย่าหนึ่งขณะใช้ทรัพย์ ใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขโอ้โหสุดยอดเลยหาทรัพย์ได้อย่างมีความสุขใช้ทรัพย์ใช้แบบมีความสุขโอโ้บางคนหาทรัพย์ไม่รู้เบียดเบียนอะไรกันมาไม่รู้จะใช้ทรัพย์ทีก็ผิดประเภทอีกเออ อย่างนี้ไม่ปกติฉะนั้นพวกเราเป็นผู้มีปกติไหมได้ทรัพย์มาอย่างมีความสุขใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขนี่คือลักษณะหาทรัพย์ใช้ทรัพย์แบบผู้มีศีลอย่างผู้มีศีลบางคนได้มาแบบไม่มีศีล จิงอยู่ว่าได้มาเยอะได้ง่ายเวลาใช้ก็ใช้ไม่มีความสุขให้คนนั้นให้คนนี้เพื่อไม่ให้เรื่องเกิดถึงเราเอาเถอะเวรกรรมมีจริงดูไปเรื่อยๆว่าจบฉากไหนคนร้ายยังไงก็ต้องจบแบบร้าย ตองให้ตายสวยยังไงตายแล้วก็ไม่สวยโยมูมชาติพบนรกรออยู่อย่าดีใจพอเรายิ่งปฏิบัติได้สบายชีวิตไม่ถูกเบียดเบียนทรัพย์สินไม่ถูกเบียดเบียนครอบครัวของเราสามีของเราภรรยาของเราก็ไม่ถูกเบียดเบียน และเราก็ไม่เบียนเบียนสามีภรรยาลูกของผู้อื่นชีวิตอยู่ปกติถึงบอกเออนี่แหละใครที่ยังไม่เข้าใจเขานึกว่าซื้อได้หมดเลยทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไ พอถึงเวลาแล้วมันชดใช้ซื้อไม่ได้อากูสนบาปไม่เคยยกเว้นและปราณีใครอะตมาบอกเออถึงวันหนึ่งคำว่าจิตสำนึกอยู่ใต้กลนบึ้งของบิญญาเนี่ย มันจะรู้ว่าเราเลวหรือดีชั่วหรือไม่ชั่วจิตจะรู้และตอบเองไม่ต้องถามใครเลย ไม่ต้องมีทันในความไม่ต้องมีผู้พิพากษาไม่ต้องมีพยายามจิตนั้นรู้เลยแตมาบอกสุดท้ายสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือจิตตัวเองรู้ผิดถูกชั่วดีบาป บ, บุญคุณโทษ แล้วก็รู้ว่าภูมินั้นคือนรกหรือสวรรค์ไม่ต้องบอกกันตรงนี้ทุกคนจะรู้เองเชื่ออาตมาเถอะอาตมาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ภาวนาไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกเราวันนี้ยมเกิดไหมจิตสำนึก ในห้วงลึกในจิตวิญญาณเนี่ยมโนธรรมนะ่จะเกิดหรือไม่จะเกิดเมื่อไหร่ถึงบางคนนี้เกิดชา้าเท่าไหร่ก็ขาดทุนเท่านั้นมโนธรรมมีคำว่าจิตสำนึกขึ้นมาพอบางคนรู้ว่าตัวเอง ได้สร้างบาปเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูพอได้ลูกเท่านั้นแหละโยมเอ้ยใจเข้าใจคำว่าผู้เป็นบิดาเข้าใจคำว่าพ่อที่มีต่อลูกยังไงบอกโอ้โหบาปเกิดจากเราแล้วเนอะ นั่นแหละจิตที่มันะระลึกขึ้นมาแต่ทุกอย่างรู้เมื่อสายแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะวันนั้นคือผู้เป็นพระราชบิดาสิ้นพระชน์เป็นอนันตริยกก ร, รม คือกรรมหนักข้ามสวรรค์ห้ามนิพพานบาปไม่ได้เว้นว่าคนคนนี้มีชื่อมีอำนาจมียศอะไรก็แล้วแต่แต่บาปนั้นไม่ได้เว้นว่าคนคนนี้เขาอยู่ในฐานะเป็นใครอะไรก็ตามกรรมจะเป็นผู้บรรดาลผล จากนั่นมาชีวิตไม่มีความสุขใจร้อนเหมือนตกนรกบาปมันกัดกินจิตมิญญาระวังให้ดีบาปมันเกิดขึ้นแล้วในจิตนี่ไม่ตายก็รู้แล้วถึงบอกเออ ทำไมเราไม่สร้างบุญทำไมเราไม่ให้จิตเราเป็นบุญทำไมเราไปหลงอยู่กับบาปอากุศลเลิกพูดชั่วเลิกกล่าวชั่วเลิกเจรจาชั่วหยุดทั้งพูดเท็ทั้งคำหยาก ทังสาบแช่งให้ร้ายพูดที่ไม่จริงทั้งหมดที่สร้างให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตัวเองก็เดือดร้อนด้วยนั่นเขายังถือว่าเกิดมายังเบียดเบียนตัวเองไม่ได้ผู้บำเพ็ญภาวนาถ้ายังเบียดเบียนตัวเองอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ เขาบอกดูผู้บำเพ็ญดูศีลดูผู้ทาฌานดูความสงบดูผู้อบรมจิตให้ดูปัญญากล่าวว่ายึดมั่นหรือปล่อยว่ากล่าวโดยจิตอันมากด้วยทุกหรือว่าจิตนั้น เป็นอิสระจากทุกกำหนดไปแล้วจะรู้เองถึงบอกในที่สุดจิตของผู้รู้คือธาตุแห่งความเป็นพุทธะทุกคนมีอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าเราถูกอวิชชา ตัหาอุปทานครอบงำหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งโยมจะรู้พอรู้เสร็จเราจะเสียดายวันคืนเวลาทั้งหมดที่ผ่านไปเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาชีวิตสิ้นไปอย่างไม่มีเก่นสารไม่มีสาระ เราจะรู้สึกเสียดายเสียดายถึงจะรีบภาวนาปฏิบัติยังไงก็ตามเวลานั้นเหลือไม่มากจิตจะยกขึ้นจากขุมนรกทันหรือเปล่ายังรอบไม่ได้จึงบอกเออ หยุดเบียดเบียนได้ว่าจะหยุดกิริยาที่ไม่งามทั้งหมดนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมเยาใจชั่วมาแดแสดงลบล้างความดีอาจจะมาบอกว่าฝืนเป็นคนดี ดีกว่าเต็มใจเป็นคนชั่วฝืนไว้ญาติโยมทั้งหลายพระคุณเจ้าฝืนเป็นคนดีดีกว่าเต็มใจเป็นคนชั่วฝึกเอาไว้และวก็ในที่สุดเราจะอยู่อย่างผู้มีสติ ไม่เมาในโลกที่อยู่ไม่เมาในสิ่งที่เราดื่มอาบกินทุกอย่างต้องมีสติจึงจะหยุดสิ่งที่ขาดสติได้ฉันจะส่องเสพหรือช่องเสพอะไรต้องไม่ให้เมาโดยเฉพาะสีนข้อหา ย่าไปหมายแต่ว่าสุราเป็นของเมายาเสพติดทุกชนิดแต่มาว่ามันมากกว่านั้นอย่าให้เราไปเลาะเรือนกับสิ่งไหนอย่าไปเมาอยู่กับชีวิตที่เราสัมผัสแตะต้องจับอยู่ในสิ่งใดอย่าให้สิ่งที่เราจับ มาทำลายเราอย่าให้สิ่งที่มีอยู่มาทำร้ายเราทุกอย่างแม้คำว่าเงินทองก็ดีทำลายคนมาไม่ใช่น้อยอย่าคิดแต่ว่ามีคุณฝ่ายเดียวถ้าเมื่อไรเราเมาจับแบบไม่มีสติ มีอย่างไม่มีสติได้มาอย่างขาดสติสุดท้ายมันจะทำลายชีวิตของเราอย่าอย่าเมามีสติหยิบอะไรก็มีสติจะเป็นน้ำชนิดไหนต้องไม่เมา จะเป็นวัตถุชนิดไหนที่จับต้องต้องไม่เมาคือจับแบบมีสติเมื่อมีสติแล้วเราจะแยกได้หมดเลยว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเสพถึงบอกปราดบัณฑิตท่านไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น นี่แหละนักปราดโดยแท้ธรรมะก็บอกเออคนเขาปฏิบัติสามารถอยู่กับเป็นจดศีนได้จริงๆเนี่ยธรรมะบอกโสดาบันนี้น้อยไปไม่ใช่เบ็นเรื่องใหญ่เลย เพราะพื้นฐานของศีลมาจากศีลหน้าทั้งหมดเมื่อประพฤติสิ่งนี้ได้นอกนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปจบแล้วผู้เป็นปราชับบัณฑิตไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น บาปจะเกิดยังไงตัมมาก็สงสัยเคยนั่งกำหนดนะอคนที่ไปนรกเป็นอย่างนี้คนที่ข้ามพ้นนรกเขาปฏิบัติอย่างนี้เองไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทารายตนไม่ทำรา้ำรายผู้อื่นไม่ให้ร้ายตนไม่ให้ร้ายผู้อื่นบาปจะเกิดยังไง แต่มานั่งดูบอกเกิดไม่ได้ใครจะใส่ร้ายมันก็เป็นบาปที่เขาให้มันเป็นแค่คำว่าวิบากรรมแต่บาปนั้นไม่ได้เกิดกับคนคนนี้แต่วิบากรรมที่มีอยู่อาจจะส่งผลให้เดือดร้อนตามมาได้แต่บาปยืนยันว่าเกิดไม่ได้ ธรมาบอกเ อ, อมิหนาพระอริยะไม่ตกนรกเพราะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำลายตนไม่ทําลายผู้อื่นไม่ให้ร้ายตนไม่ให้ร้ายผู้อื่นธรรมาเข้าใจละ ทางของพระอริยะหลักๆเดินแบบนี้เองแต่วิธีปฏิบัติกันแล้วแต่ของแต่ละจริตของแต่ละข้ยิ่งเราเข้าใจนะญาติโจมเราจะไม่ไม่อยากข้องแวะ ทำให้ใจเรามันเศร้าหมองกับสิ่งไหนเรารู้สึกโลกนี้ไม่มีแก่นสารที่เราไปหลงยึดติดพอกาหนดจริงๆนะเหมือนพระพุทธเจ้าสละละทุกอย่างจนถึงดับขันปริณิพนธแต่พระองค์มีค่ามากที่สุด ไม่ใช่ทรัพย์แต่เป็นอริยทรัพย์ทางปัญญาทางจิตวิญญาส่วนทรัพย์สมบัติอื่นก็เห็นบอกคนนั่นรวยคนนี้รวยคนนี้ตายคนนั่นรวยคนนั่นรวยคนนี้ตายเห็นเปลี่ยนมือไปเรื่อยเรื่อยเรืยก็แค่นั้นกินแค่อิบนอนแค่หลับไม่เห็นมากกว่านี้เลย ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถอ